เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รูปโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องเทวตานสติคือการตั้งสติตามรละลึกถึงเทวดาเทวดาในสูงสวรรค์นะฮะคือเทวดานี่จริงพุทธศาสนาจำแนกไว้เป็นสามประเภทประเภทหนึ่งเป็นเทวดาโดยอุบัติ คือตายแล้วก็เกิดเป็นเทวดาเลยเรียกว่าเทวดาโดยกําเนิด น, นะฮะเกิดเป็นเทวดาเป็นชีวิตประเภทโอปรปาติกะคือเกิดผุดขึ้นแล้วก็เป็นเทวดาเป็นบินยูชนใหญ่ไปเลยประการที่สองนั้นเรียกว่าสมมติเทพคือเทวดาโดยการสมมุติเอาสมมุต um ิเอาแต่งตั้งเอามอบหมายเอาคล้ายกับเนี่ยพระราชามาหากษัตริย์ทั้งหลายในยุคสมัยโบราณเดียวนยุคสมัยปัจจุบัน แต่ทำไมปัจจุบันนั้นอาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้นะเราลองสังเกตเช่นว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายกอเมรงกฤษเนี่ยก็สามัญชนธรมธรมดาๆเนี่แหละแต่พอรับแต่งตั้งในตำแหน่งนายกรัลรีขึ้นมารับแต่งตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็กลายเป็นเทวดาไปโดยโ ด, ย, ดยอัตโนมัติมีคนบริษัทห่อมล้อมรักษาความปลอดภัยป้องกันค่าใช้จ่ายของท่านเหล่านี้ในแต่ละวันในมหาศาลมากๆเลยนั่นก็แสดงว่า เขาเป็นเทวดาในโดยสมมติเอานะตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นพอถึงวาระก็จบจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อมันก็เทวดาตกสวรรค์แต่ว่าก็ยังดูแลนะฮะยังดูแลยังเอื้อเฟื้อยังเอาเอใจใส่อยู่มีบำเหน็จํำนาญมีอะไรต่ออะไรดงดูจนตลอดชีวิตอยู่เทวดาที่เราเน้นจริงๆ จ, งจึงเป็นเทวดาที่อุบัติ แต่ว่าเพื่อจะใช้ในหลักการปฏิบัติให้เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์หมายความมาต้องการให้เกิดเป็นเทวดาโดยธรรมนี่มากกว่าอย่างอื่นมีความเป็นสากลสูงเราจะเห็นว่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนานั้นดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้ผูกขาดไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นระบบของคุณธรรมล้วนๆคือใครก็ตามปฏิบัติพัฒนาก้าวหน้าไปจนถึงจุดนั้นคนเหล่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเทวดา มีสิทธิ์ที่จะเป็นพรหมมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระยะในชั้นต่างๆเธอเป็นใครมาก่อนไม่สําคัญสําคัญว่าเธอปฏิบัติตนยังไงอันนี้คือหลักการที่น่าชื่นชมยินดีว่าไม่มีการผูกขาดตําแหน่งเป็นเทวดาก็ตําแหน่งเปิดแม้ตําแหน่งพระพุทธเจ้ายังที่จริงยังเป็นตําแหน่งเปิดเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นสามารถปฏิบัติพัฒนาคุณธรรมขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นได้หรือไม่ แต่มีความสามารถเนี่ยเขาก็เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ได้นะฮะคือพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าสวิสุทธิเทศนะฮะเป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์พระหัสนั้งหลายก็อยู่ในประเภทนั้นพระญาบุคคลก็ถือว่าลดหลั่นลงมาเพราะแนวของคนที่มีหิริโอุตปะก็ ด, แบบกดีแนวของคนที่มีวัตถบทก็ดีแนวของคนที่มีศรัทธาศีลสุตะจาค้าปัญญาก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้เป็นเทวดาโดยธรรม สรุว่าเป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งนะฮะระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดอย่างพระรยาทั้งหลายแต่เราเดินอยู่บนเส้นทางสายเดียวกับพระรยาก็เดินตามหลังพระรยาไปธรรมะชุดต่อไปเนี่ยเป็นชุดที่เราคุ้นมากแต่ว่าปฏิบัติยากสุดๆเลยก็เรียกว่าถ้าถามแล้วส่วนใหญ่ในคนจะตอบได้นะ เป็นข้อปฏิบัติระดับศีลกับระดับสมาธิสมาธิไม่มากอะสมาธิอ่อนๆเป็นการควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจของตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยควบคุมการกายวาจาของตัวเองธรรมะชุดนี้เรียกเยอะเรียกมนุษยธรรมธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเรียกเป็นเทวธรรม ธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาเรียกอริยธรรมนะฮะธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นพระริยะในชั้นต่างๆจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานในสังขารูปปฏิสูตรนี่พระเจ้าทรงยกเอาธรรมะแค่สิบข้อนี้เท่านะั้นว่าเป็นธรรมที่ทําคนให้เป็นจากมนุษย์เรื่อยไปนะเรื่อยไปจนถึงเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเรามองกันด้วยความจริงๆนะ ว่าเวลาเราสรุปธรรมะในพุทธศาสนาเป็นศีลสมาธิปัญญาและฐานศีลภาวนาเพื่อทาหน้าที่ขัดเกลาโลพะโทสะมหาออกไปจากจิตใจเรามองดูธรรมะชุดนี้แล้วเนี่ยก็ทำลายได้จนหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดับที่อยู่ภายในจิตใจที่เราเรียกว่ามนโนสุดจดิตนั่นก็คือหลักของกุศลกรรมบทสิบประการ กุศลกัมบทแปลว่าทางดําเนินด้วยความฉลาดหรือทางดําเนินทางประพฤติ ด, ด้วยความฉลาดของบุคคลเหล่านั้นเป็นการสร้างความสวัสดีให้แก่ตนเราจะเห็นว่าเริ่มต้นจริงๆก็คือศีลริ่มต้นก็เป็นศีลตกลงมาท่านฟังลอดสังเกตนะว่าศีลนี้ก็อยู่ทุกทุกแห่งนะธรรมะห้าข้อก็ต้องมีศีลวัตถบทเองก็มีศีลในฮิรินั้นมันเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติ รสนจึงเป็นปกติภาพปกติสุขปกติของมนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ซ้าแต่เป็นเรื่องต้องมีเธอขาดแคลนไม่ได้นะคล้ๆกับว่าคนที่จะจบการศึกษามาหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องผ่านระดับมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกหรือผ่านระดับของปวสมาจึงจะขึ้นสู่ระดับมาหาวิทยาลัยได้ ถามมาเรียนซ้ำกันไหมก็เรียนซ้ําอ่ะนะซ้ำกันอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงมันเป็นกฎมันเป็นสูตรมันเป็นหลักการเป็นวิธีการที่จะนําพาบุคคลให้ดําเนินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ในเรื่องนั้นๆข้อสามข้อแรกก็คือศีลสามข้อเหมือนกันเป็นการงดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิต แล้วก็ลึกซึ้งขึ้นไปโดยในญาณดังกล่าวหมายความว่าไม่ประทุษร้ายชีวิตเขาเองไม่ใช้คนอื่นประทุษร้ายไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ประทุษร้ายแล้วก็ไม่พอใจยินดีต่อการประทุษร้ายนะใกล้ยๆกัะเวณนี้เราดูข่าวคราวที่อเมริกาอังกฤษปะทิ้งระเบิดที่อับกาณิสถานนะ เราดูลูกระเบิดก็เสียดายนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านลูกหนึ่งยัไม่กว่าเงินขนาดนี้เอามาสร้างอาคารแลสถานที่เอามาช่วยคนอะไรได้เยอะเลยแต่มนุษย์เอามาทำลายกันแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทรัพยากรเนี่ยมันถูกทำลายไอ้ตัวที่วัสดุที่เอามาสร้างเป็นระเบิดเนี่ยมันก็เป็นทรัพยากรของโลกแล้วก็สิ่งที่ถูกระเบิดทาลายก็เป็นทรัพยากรของโลกแตเรื่องที่น่าเจ็บใจ พอนดมองแล้วก็ไม่ควรจะไปชื่นชมยินดีแต่ควรมองทําอะไรไม่ได้นะฮะให้ใจเป็นอุเบกขาคือวางเฉยสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราพยาปรามขัดขวางตัดรอนอะไรไม่ได้แต่ไม่แสดงเย้ยเย้ยวเย้นะะเป็นด่าทอคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันคือเขากําลังทําบาปเราก็ไม่ควรจะไปเพิ่มบา ป, ปะอะไรกับเขา แต่ตามในกรณีที่ใครก็ตามนะฮะมีบุญญาธิการมีวาสนาพรมีจะแก้ไขได้นะก็ดีแต่ดาทอนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเป็นอาศัยการทำชั่วของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของตัวเองแล้วมันไม่มีความแตกต่างเอ่อเช่นสมมติว่าเราด่าเขาว่าทิ้งระเบิดคนตายอยนะ่างเนี้ยดาทอเขาเราก็กล่าวคำหยาบ เราก็ผิดวิจิตุจดิตเขาผิดกายุจดิตมันก็คือกันนะนะแล้ก็เป็นุจดิติด้วยกันวิธีการเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาในพุทธศาสนาท่านจะมองถึงว่าปัญหาอะไรแก้ได้ก็แก้นะถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยต้องวางใจเป็นกลางไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่โธมนัดเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไรกันไร เราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดคนก็ดาบพระพุทธเจ้ายังแก้ปัญหาได้ไม่หมดเลยก็ปัญหาคนอื่นนะฮะพระพุทธเจ้าก็แก้เฉพาพของพระองค์แต่ในขโมดแต่ของโลกมแก้ไม่หมดโลกก็ยังคงมีปัญหาอยู่อย่างนั้นดังนั้นในแนวของกุศลกับบถสิบ ป, ประการเนี่ยเป็นการเรียงลึกนะฮะเรียงลึกลงไปโดยลําดับหมายความว่า พอมาถึงรักทรัพย์ก็เหมือนกันคือไม่รักเองไม่ใช่บุคคลอื่นรักไม่ยกย่องสรรเสริมผู้รักไม่ยินดีในของที่เขารักได้มาจะยินดีในของนี้ภาษียินดีในของที่ช่ อ, ชอโกงเขามายักย่อกเขามาอะไรแต่ไรเนี่ยคือไม่ควรจะยินดีอย่าอยากได้ในเรื่องเหล่านั้นในเวนเนี้อะไรที่เขาพูดถึงสีดีเถื่อนอะไรแต่ไรของเถื่อ น, น, นต่างๆนี่พูดกันเยอะลเลยเนกะิดคือถ้าคนของเรามีคุณธรรมภายในใจเนี่ย แต่อว่าวิธีการนี้ไม่ถูกต้องไปสนับสนุนโจรเรารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นทรัพย์สินทังปัญญาของเขาเป็นสิทธิของเขาสิกฎหมายก็ยอมรับเพราะเมื่อเธอจะทำเนี่ยเธอก็ต้องเข้าตามตอกออกตามประตูไม่เจ่ว่าเธอนึกจะทำอะไรเธอก็ทำโดยไม่คํานึงถึงสิทธิผลประโยชน์ที่บุคคลอื่นก็ต้องสูญเสียไปตรงนี้ถ้าสังคมไม่ยินดีต่อการ รัดอเอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่ก็สนับสนุนมันก็จบนะคงจะอยู่ไม่ได้แต่นั่นก็คือความอ่อนแอทางสังคมที่ไปส่งเสริมสนับสนุนเขาตัวเองก็โลภนะอยากได้ของดีแต่ขอราคาถูกคือแสดงว่าเห็นแก่ตัวของดีราคาถูกจะเห็นแก่ตัวนะฮะของดีราคาต้องแพงไม่มีอะของดีราคาถูกมันเป็นไปไม่ได้ ท, ทีนี้เมื่อเราต้องกา ร, ารของดีเราก็ต้องพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สมควรแก่ความเป็นของดีของเขา <increí ble. S 2> เพราะว่าราคาแพงนวัดความเป็นของดีถ้าของถูกมันก็วัดความเป็นของไม่ดีทีนี้เมื่อเราต้องการขัดแย้งกันเราต้องการของดีราคาถูกนี่แสดงความต้องการขัดแย้งกันคุณจะเอาอย่างไงอ่ะถ้าคุณจะต้องเอาราคาถูกของก็ต้องราคาต้องไม่ดีถ้าคุณต้องการของดีราคามันก็ต้องแพงเหมาะสมแก่ ค่าของมันเนะ่ยเหมาะสมแก่ความเป็นของดีนะเช่นว่าทองร้อเปอร์เซ็นมันก็มันก็ดีกว่าทองไม่กี่เปอร์เซ็นตนะ์ถ้าคุณจะเอาราคาถูกคุณก็ต้องเอาทองที่มีปะปนอยู่ไม่มากเท่าไหร่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเอาทองเต็มที่เอาเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาเขาบอกว่าไม่ถึงร้อยนะเขบอกว่ามันมีมันมีเศษอะไรหรือดูก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วแต่สรุปว่าเนี่ยของถูก ราคาน้อยของแพงราคามากนั่นเป็นสูตรที่จะต้องพยายามยอมรับความจริงในจุดนี้ให้ได้ทีนี้ข้อการเมย์โดยมิชาจารย์ก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะคือหนึ่งไม่ประพฤติผิดในการเมเอง สไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นเขาประพฤติผิดสามไม่ยกย่องสรรเสริญจลองสังเกตวรรณคดีของเราเป็นนั้นมากที่สรรเสริญพระเอกมากชู้หลายเมียนะฮะบางทีลูกเราเมียใครยังไม่รู้เรื่องเลยไม่สนใจเลยแล้วก็ยกย่องสรรเสริญกันอย่างคุณแผร่เนี่ยโหดร้ายขนาดไหนข้าเมียตัวเองผ่าท้องทํากุมารทองเนี่ยะโหดร้ายกาดุลขนาดไหนแต่ว่าเราก็ไปยกย่องนะฮะชื่นชมกับคนเหล่านี้แสดงว่ายิ่ใจยังไม่เข้าถึงกุศลกําบุร เพราะนวการเมตมิจฉาจาร์ก็คือไม่ประพฤติผิดผิดเองไม่สนับสนุนให้คนอื่นประพฤติผิดไม่ยกย่องคนที่ประพฤติผิดแล้วไม่ยินดีในการประพฤติผิดเหล่านั้นจะไม่เป็นกายกรรมเป็นวจิกรรมแล้วก็เป็นมโนกรรมคือมันสงบลึกนะฮะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเลยแล้วก็งดเว้นจากการพูดเท็จด้วยตัวเองงดเว้นจากการส่งเสริมหรือชายคนอื่นก็พูดเท็จ แต่เวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าจะมีโทรศัพท์มาเราไม่ต้องการจะรับแต่บอกว่าพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่อย่างไงให้ส่งเสือไม่ลูกกูเท็จมางทีลูกแกก็ซื่อๆบอกว่าแม่บอกว่าแม่ไม่อยู่แ ม, แม่แม่บอกแม่บอกให้บอกว่าแม่ให้บอกว่าแม่ไม่อยู่เลยก็ความผิดที่คิดแต่ความจริงที่คิดจะปกปิดมันก็ปกปิดไม่ได้ แล้วก็ในสุดคนจะคุ้นเคยต่อการพูดเท็จเนี่ยพูดไปได้เรื่อยเฉยโดยไม่สึกกระดากไม่สึกอับอายไม่รู้สึกเสียใจที่ไปประพฤติไปพูดในรัตนายอย่างนั้นเดี๋ยวก็งดเว้นจากการส่อเสียดงดเว้นจากการส่งเสริมให้คนอื่นส่อเสียดงดเว้นจากการยกย่องคนที่ยุ่ให้รำตำให้รั่วทั้งหลายนี่แล้วไม่ยินดีต่อ การส่อเสียดทุกรูปแบบจิตใจไม่พอใจไม่ยินดีแม้เขาจะไปได้ประสบความสมําเร็จอะไรมากระดับเราไม่พอใจไม่ยินดีในพฤติกรรมในการกระทำในรัศดาอย่างนั้นอาการต่อไปก็คือวดเว้นจากการพูดคําหยาบด้วยตนเองและวอนเว้นจากการใช้คนอื่นพูดคําหยาบวดเว้นจากการสรรเสริญยกย่องคนที่พูดคำหยาบ บทเว้นจากการยินดีต่อคำหยาบทั้งหลายเห็นไหมกายวาจาใจหลยมันเป็นนี่ลึกซึ่งออกไปเยอะทีนี้คนเราทำได้ขนาดไม่ยินดีในอากุศสนนี่โอ้ยใจมันไปริบแล้วนะฮะใจพัฒนาขึ้นสูงส่งมากแล้วเหมือนกับหมาสมุทรที่ฝนตกลงไปมากมายกายกองมันสลายเป็นน้ำเค็มหมดเลย มพราะฉะนั้นจิตใจถ้าถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยที่จริงมันเป็นโดยอัตโนมัติแล้วไม่ต้องนับถึงสิบข้อแต่ว่าเรียงให้ดูนะฮะเรียงให้ดูว่าเวลาท่านสอนท่านอธิบายเนี่ยเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงสอนมากกุศลขบดสิบเนี่ยสอนในประพฤติปฏิบัติมากอากุศลกบถสิบกุศลเนี่ยงดเว้นกันมากเพราะว่าปัญหาใหญ่จริงๆมันมีเท่านี้นะฮะเราอาจจะแปะว่ า, พ, า, วาพูดพูดว่าพระพุทธศาสนามารวมอยู่ที่กุศลขบดสิบก็ยังได้แหละ เพราะอะไรเพราะตัวมโนทุจริตนี่มโนสุจริตเห็นชัดเจนนะฮะว่าไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นคนที่ไม่โลภนี่เป็นถึงพระนาคามีนะะคนที่ไม่โลภนี่เป็นถึงพระนาคามีไม่ใช่เป็นธรรมดาไม่โกรธอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นอันนี้เป็นถึงพระนาคามีแล้วก็เห็นชอบตามตานองทองธรรมเป็นถึงพระอรหันต์เลยทีนี้เห็นไหมว่า จริงๆแล้วนี่จิตไปไปริบเลยนะฮะไปริบเลยเพราะไปทำลายอาวิชากันที่ตรงนั้นการเห็นชอบตามตำนองของธรรมจริงๆนั้นก็คือเห็นชอบในอริยสัจสี่เป็นผลรวมของการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคในองแปดประการแล้วเกิดเป็นสมาญาณผุดขึ้นมาภายในใจแล้วก็ทําลายวิชาออกไปจากจิตใจจิตใจของเขาก็จะมีความบริสุทธิ์เพราะนประเด็นที่ควรจะดูก็คือว่า ไอ้เจ็ดข้อข้างบนเนี่ยไม่ต้องนับก็ได้นะฮะถ้าหากว่าเราควบคุมความโลภเอาไว้มันอาจจะโลภนะฮะอาจจะถึงกับโลภแต่อย่าถึงก็ไปอยากได้ของอ่างบุญอื่นขั้นสอนในภาคสนามมันคือภาคการปฏิบัติแต่ส่วนมากจะสอนพระนะฮะเป็นบทบัญญัติของพระกับญาติโยมไม่สอนขนาดนั้นเนาะแต่ว่าญาติโยมก็จะไปได้โดยอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติธรรมะเข้าถึงขั้นนั้น เชนสมมติเรามีทรัพย์สินทรัพย์สินของชาวบ้านเนี่ยเรามองแล้วเราเกิดอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นแล้วก็ชาวบ้านชาวัดไม่ต้องการ น, นะนะทรัพย์สินนั้นเนี่ยเรามองแล้วเราเกิดอยากได้แลนี้ใจคุณแห้ะเป็นโลภโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นเป็นมโนโทุจริตแล้วเริ่มมโนโทุจริตแล้วมองอยากได้มากจนถึงก็จุดหนึ่งก็ไปจับต้องลูกครั เป็นกายทุติยดิตแล้วเจ็ดกายยัตุติยดิตแล้วแต่ยังไม่แรงนะฮะไปจับต้องลูกคํามเฉยๆของยังไม่ขยับขยเยิยนพอทําไม่ไหวเนี่ยก็แสดงว่าโทษก็เพิ่มขึ้นเพราะของมันขยเยิยนจากที่ที่มันวางอ น, นะฮะจะสมมดว่า ย, ยกเก้าอี้พ้นมาทั้งหมดเนี่ยขามันพ้นจากที่วางทั้งหมดก็ถือว่าขาดจากพระล้ แสดงว่าเป็นการควบคุมความโลภเอาไว้อย่าให้ลุนออกมาข้างนอกรุนความโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นเนี่ยแม้จะเกิดภายในใจเนี่ยใจมันก็ขุดใจก็ไม่สงบกิเลสประเภทความโลภจึงอุปมาเหมือนกับเราตกเป็นหนี้เป็นศีลคนอื่นจะต้องตามชดใช้ก็ร่ำไปก็เรียกว่าทวงอยู่ตลอดเวลาคนอื่นก็ทวงอยู่ตลอดเวลาเราก็ตามไปให้เขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน บ, บรรนปัญหาสำคัญว่าทำอย่างไรจึงจะบรรเทาความโลภอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่โลภอยากได้ของคนดื่นไม่โลภเลยเนี่ยมันเป็นพระอนาคามีไปแล้วนะแต่ว่าเราก็เอาระดับที่เรียกว่าไม่โลภจนทำผิดพูดผิดคิดผิดตรงนี้มันเน้นที่การคิดผิด คือเรามีสิทธิที่จะโลภเราก็แสวงหาได้มาในทางที่ชอบทำเป็นสัมมาชีพนะฮะเอ็นไม่ให้สัมมาชีพส ม, มาชีวะเนี่ยที่จริงโลภนะฮะเพียงแต่ว่าไม่มีปัญหาในขอ้อกฎหมายไม่มีปัญหาในด้านจริยธรรมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราปฏิบัติได้แล้วก็ไม่โกรธจนถึงอาฆาตพยาบาติต้องการจะแก้แค้นต้องการจะโต้อตอบต้องการทาลายล่าง คนนี้เคยทําอันตรายต่อเราคนนี้เคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต uh tamam ่อศ uh uh uh uh uh ัตรูเราคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเรากําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราต่อไปคนนี้จะทําอันตรายต่อเราทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็หาเรื่องนะฮะหาเรื่องไปอาฆาตพยาบาทพวกคนอื่น เพรวัตถุที่ตั้งของความอาฆาตเนี่ยในที่สุดมันสายภาวะสภาพจิตของคนเนี่ยเรียกว่าความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความรักมันมั่วไปหมดเลยนะรุงรังพันเตไปหมดแล้วลากลามปามไปจนไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวนะตัวอย่างถ้าเราดูในเชิงบทเรียนเราจะเห็นว่าตาลีบันก็ดีบินลาเดนก็ดีอเมริกาเวียนามอะไรต่ออะไรมันเป็นวงจรนะนั่นเป็นวงจรที่จริงตาลีบันไม่เกี่ยวอ่ะ แต่ตาล<ม>ีบันเป็นพวกเดียวกับบินละเดนบินละเดนเป็นคนมีปัญหาแล้วก็ตาลีบันก็ปกป้องปกป้องอเมริกาไปเลยถือว่าเป็นศัตรูเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธอันนี้ตัวอย่างเห็นได้ชัดว่าโกรธบินละเดนนะฮะแล้วก็ทําให้โกรธตาลีบันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้โกรธอับการนิสสถานอับการนิสสถานก็ไม่ได้ปกป้องตกต้องเฉพาะพวกตาลีบันแล้วก็คงจะไม่กี่คนนะนะฮะคงจะไม่กี่คนเราคงไม่ใช่ทุกคน แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ก็สร้างขึ้นมาเป็นกระแสร่วมกันก็กลายเป็นอย่างเนี้ยในสุดมันก็ลามปลาม เ, เรื่องมันควรจะอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันไม่ยอมอยู่มันถูกลากแล้วก็เลื่อนออกไปเบื่อเบื่อไปด้วยระการต่างๆมีความเห็นชอบเห็นชอบตาม ต, ต, ตํานองของธรรมมีมาตรมีกฎมีเกณฑ์ในการวัดว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติไป BET ตามนั้น เช่นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของเขาเนี่ยเราก็ต้องเห็นชอบตามนองความธรรมอย่างนั้นเป็นกรรมมัจจุาสมาธิฐิเราไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้หรอกสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้ <S <S หรือว่าคนที่ได้เกียรติเพราะความสัตว์เพราะถ้าเราต้องการเกียรติเราก็ต้องดํารงอยู่ในความสัตว์ เราไม่ดํารงอยู่ในความสัตว์เราก็เป็นคนที่ไม่มีเกียรตินี่ก็คือเป็นหลักการในการปฏิบัติในการปฏิบัติของเราเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราตรวจสอบดูตัวเราว่าเราอยู่ในกุศลกรรมบุเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดสอสไม่พูดส อ, ดสอเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจอเิดเรื่อยๆจึงเป็นอาการทางกายกับทางวา จ, จา พอมาถึงดูใจเออดูใจเนี่ยเราโลภอยากได้ของเงนอื่นไม้เรามีโลภไม้เอามีโลภโลภอยากได้ของเงนอื่นหรือเปล่า อ, อ๋อไม่ถึงอขนาดนั้นเอาก็ดีเนี่ยไม่เป็นไรเราโกโรธไหมยังโกรธอยู่แต่พยายามหรือเปล่าไม่พยายามเราเห็นผิดอยู่บ้างไหมก็เห็นผิดบ้างแต่ไม่ถึงกับนอกจากทานองครองทำไปคืออะไรที่เราไม่สามารถจะใช้เหตุผลสติปัญญาโดยลำพังตัวเราเองได้นะเราก็ใช้ ความเชื่อในพระยานของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามเทวะเจ้าได้ส่งประกาศแสดงเอาไว้เพราะหลักการตรงนี้จึงกลายเป็นหลักการที่ทำให้เรามองเห็นตัวเราว่าเรามีธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาอยู่ภายในจิตใจก็นอง เ, เห็นได้ก็จะเกิดปีติประโมทโดยนิยะเช่นเดียวกันที่นำมากระจายให้เห็นว่าโอกาสภาคสนามในจริงก็เปิดกว้างมากที่ทาให้เรา เป็นเส้นในปัจจุบันนต้องการเป็นอะไรก็เป็นเสนในปัจจุบันเราไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนแล้วจึงจะเป็นท่างฝังทั้งหลายแต้ร่มพระโพธิาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี